สามสิบเก้ามุขติวนบดรถเสียวันดีปอดีปอดดลปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะอดดเตเพปิโตรโนี่เลยกเย็งกูอิรงกิรดยางรถของดิฉันแบนคะ่ะ எ ன ் ட ี่รับพังเช க ிอวுเปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะุงกอ ள ล์ที่รับยางรถมอเตอร์บอยู่มะดิฉันอยากได้น้ำมันดีเซล 2-3 ลิตรค่ะยานักวันนี้1 ட ลิตรดีเซลเ் ட ுดมดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะเทพโตร์ลคอลียาเกียวิ่งต คุณมีแกลอนน้ำมันไหมคะพวกคุณทุกคน petrol ถังอยู่ด้วยกันอีกทีรึเ่ิฉันจะโทรศัพท์ได้ที่ไหนคะนอดอย่างไรรันต์โทรศัพท์ใช่ไห่ิฉันต้องการรถลากคะ่ะยานักพัฒนาวันดีก็อีดท์เชลล์ล์มวากันม์เบนด์ด์ดิฉันกำลังหาอู่ซ่อมรถคะ่ะ น ண อ ட วันด ச สรுส்ยุ ม, มด த ே ட ด க ் க นด் ட ு இ ิு க ข க ி ற ே ன ்เกิด อ, อุบัติเหตุวันวิบัตต์นั ந น த ่งเด็กขึ้นรตู้โทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะมีกมมอะไรคือร்่น ล, ล, ละตัวเลยเป็นซีเนลลยมอคุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะุงังลีดดมมือเบลล์ฟอนยิ่งขึ้ น, ด า, นดา เราต้องการความช่วยเหลือค่ะยังงั้นก็คือเดียวเทเว่ตามหมอให้ทีค่ะวุรุษด็อกเตอร์ไอคุปปิดังกลเรียกตำรวจให้ทีค่ะพลีใส่คุปปิดังกลขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะได้ไหมสิ่งทีออวุออกวงกัลดอกิเมนต์ที่คดล่ก่อนไปยังงั้ ขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะได้ววเวลาแสดงวุ้งกัลวันดีไลเซนซ์ไซค่ขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะได้เวลาแสดงวุ้งกัลวันดีพอดีวุ้งด็อกิมเมนต์เ